บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปองค์ธรรมที่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐา น, นสูตรข้อต่อไปนั้นคือจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ แ, แก่การตั้งสติ ตามระลึกดูจิตของตนเรื่องของจิตเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตของคนซึ่งก่อให้เกิดผลทางด้านบวกและด้านลบดังนั้นพระพุทธาศาสนาจึงได้แสดงเรื่องของจิตไว้โดยอเนกกระปร ย, ยเพื่อให้บุคคลผู้ศึกษาปฏิบัติมองเห็นความสำคัญของจิต จะจะแก้ไขปัญหาส่วนใดในชีวิตก็ให้นึกถึงจิตก่อนแม้จะเสริมสร้างกุศลความดีอะไรก็ให้นึกถึงจิตก่อนท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วทาทั้งหลายในโลกนี้ก็ถึงความรวมลงในจิตดวงเดียวตอนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงความสมคัญของจิตไป ในคาถาบทแรกแห่งพระธรรมบทว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็น ส, สุดสสำเร็จมาแต่ใจถ้าหากว่าใจมีโทษคือใจประกอบด้วยอากศลทุจจริตแล้วเวดากระทาก็ตามพูดก็ตามบาปก็จะเกิดขึ้นจากการกระทาเหล่านั้น และผลจากบาปนั้นก็จะติดตามบุคคลไปเหมือน ล, อล้อเกวียนติดตามรอยเท้าโคไปฉะนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงแสดงฝ่ายกุศลเอาไปว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจประเสริฐสุดเสม็จมาแต่ใจถ้าใจของบุคคลไม่มีโทษเป็นเครื่องประทุษร้ายใจคือประกอบด้วยกุศลธรรมแล้ว เวลาบุคคลจะทำก็ตามพูดก็ตามก็จะเป็นสุดจริตในทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางใจผล น, นั้นเกิดขึ้นจากการกระทำทางไสทถวานนั้นก็จะติดตามบุคคลไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลไปเะนนั้นดังนั้นปริยายแห่งธรรมะที่ทรงแสดงเรื่องของจิตจึงมีเป็นอนเน ก, กปริยาย โดยสภาพของจิตแล้วได้ทรงสั่งสอนไว้ด้วยภาษาที่อิงอาศัยรูปธรรมบ้างจิตนั้นมีปกติเที่ยวไปในที่ไกลคือสามารถคิดไปในสถานที่ต่างๆได้ในเวลารวดเร็วโดยไม่มีกำหนดกาลักจากระยะที่ไกลที่สุดกับระยะใกล้ที่สุดจิตจะคิดได้ในขณะเท่าเทียมกัน ในการไปของจิตก็เป็นการไปดวงเดียวที่ไม่มีใครพบเห็นจิตว่าไปอย่างไรไปอยู่ในที่ไหนเพราะว่าจิตนั้นเป็นนัสริรังคือไม่มีสริระไม่มีรูปร่างแต่ทรงแสดงสึงสถานที่อยู่ของจิตว่ากุห้าสยังคืออยู่ในร่างกายของบุคคล น, นี้เองก้อนี้ในะชั้นของการประพฤติปฏิบัติแล้ว ประทร์แสดงให้เห็นถึงสภาพที่แท้จริงของจิตว่าจิตนั้นมีธรรมชาติดิ้นรนกวัดแหวงรักษายากห้ามยากและมักจะตกไปในอารมณ์ที่ตัวใคร่นี้เป็นสภาพของจิตที่บุคคลจะต้องรับรู้ในตอนต้นว่าเป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนเพราะจะไม่ยอมสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะแม้ขณะทางานอย่างใดอย่างหนึ่งจุ จิตแกจะจดจออยู่ได้เพียงระยะเวลาไม่นานนักและในที่สุดก็ดิ้นรนวิ่งเข้าวิ่งออกระหว่างงานที่ทำกับอารมณ์เหล่าอื่นซึนี้ก็เป็นปกติของจิตกกเป็นเช่นนั้นเองการที่บุคคลจะฝึกปรือจิตให้เป็นไปาตามที่ตัวต้องการนั้นจึงต้องยอมรับในเบื้องต้นว่าเป็นเรื่องที่ห้ามยากเป็นเรื่องที่ระทาได้ยาก แ ต, แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าทมไม่ได้เพียงแต่ทาได้ยากเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะว่าการศึกษาการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการทวนกระแสะกิเลสและเป็นการทวนกระแสะอารมณ์ซึ่งเป็นการสวนทางกับปกติของจิตที่มีลักษณะตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจ วันนี้พึงสังเกตว่าจิตของบุคคลจะตกไปในสายของโลภะกิเลสสายโลภะมากเป็นปกติเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์เหล่านั้นก็ให้เกิดความชื่นบานบันเทิงอิติปราโมทตามสมควรแก่ลักษณะของอารมณ์จิตก็จะไปติดอยู่ในอารมณ์ในลักษณะนั้นและการติดของจิตในอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจนั้น แต่จริงแล้วไม่ได้ติดเฉพาะสามัญชนทั่วๆไปแต่จะติดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นทุกระดับของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติทราบเท่าที่ยังไม่เข้าสู่กระแสของปณิพันธ์ดังนั้นอารมณ์ที่คล้ายของบุคคลจึงขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางจิตของบุคคลว่าเขายกระดับจิตขึ้นไปอยู่ในจุดใดแล้วเจ้าในสามัญทั่วๆไปก็จะติดอยู่ในสุข ในความสบายกายสบายใจต่างๆและจะเพลิดเพลินกำนัดยินดีอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นไม่ต้องการที่พลากจากไปในกรณีของความคิดความคิดใดที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินจิตก็จะแล่นตามอารมณ์เหล่านั้นไปซึ่งกรณีจะพบว่าบางครั้งจิตอยู่ตกอยู่ในกระแสอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้เป็นเวลานานแต่เป็นอาการของความเพลิดเพลิน เชนคิดไปนในแนวของกามาฉันก็จะคิดได้ด้วยความเพลิดเพลินเป็นเวลานา น, านหรือว่าคิดไปนในทำนองตรงกันข้ามเชนคิดเรื่องที่ก่อให้เกิดเป็นความอาฆาตพยาบาทไม่ชอบใจไม่พอใจก็จะจกนึกถึงเรื่องเหล่านั้นได้นานๆเหมือนกันแต่ก็ไม่นานกว่าเรื่องที่ก่อให้เกิดความกำหนัดรักคข่จรินดีตอนในชั้นของการบําเพ็ญเพียรทางจิตที่มีความสงบมีความประณีตขึ้น ก็จะเพลิดเพลินในผลที่ตนได้จากการประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นจะในการให้ทานก็เพลิดเพลินอยู่ในผลทานรักษาศีลก็เพลิดเพลินอยู่ในชั้นของศีนบำเพ็ญสมาธิก็เพลิดเพลินอยู่กับผลของสมาธิแม้เจริญในชั้นของวิปัสสนาแล้วก็จะติดจะเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ที่ตนประสบขณะเจริญวิปัสสนาซึ่งความเพลิดเพลินในลักษณะนี้ถ้าไปเทียวกับระดับสูง คือท่านที่ปฏิบัติสัมผัสคุณธรรมเบื้องสูงก็เป็นเรื่องไม่ดีแต่ถ้าเทียบกับคนที่อยู่ในระดับต่ำก็เป็นความดีงามสำหรับบุคคลผู้นั้นทึ้งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็นั่นก็คืออาการเพลิดเพลินของจิตนั่นเองท่านที่บําเพ็ญเพียรในชั้นสมาธิบรรลุรูปฌานแล้วยังกําหนัดเพลิดเพลินอยู่ในฌานไม่ยอมพรากจากฌานเด็ดเดี่ยและไม่ยอมประพฤติปฏิบัติที่เก้าผ่านออกไป การปฏิบัติในลนักษณะนี้ก็มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าจ้าบัติบังเกิดขึ้นและแม้สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัติบังเกิดขึ้นแล้วพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นนั้นมากที่ท่านพอใจติดใจอยู่ในเรื่องเหล่านั้นซึ่งในระดับหนึ่งก็เป็นความดีแต่ระดับหนึ่งก็กลายเป็นเครื่องหน่วงเหนียวจิตของท่านให้ติดอยู่ในความสุขที่ท่านสัมผัสอยู่ในขณะนั้นๆลนักษณะของจิตจึง เป็นการทวนกระแสของอารมณ์อยู่อย่างนี้เสมอไปซึ่งจำเป็นที่ผู้ศึกษาประพุตธปฏิบัติจะต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของจิตดังนั้นในในมาหาสติปัฏฐานนสูตรหรือในสติปัฏฐานาสูตรพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงการกำหนดระลึกรู้จิตไว้ในลักษณะที่ที่ยืละเอียดซึ่งหมายความว่าการจะกาหนดระลึกทันตามที่ทรงแสดงไวจรงิจรง ปริมาณของสติจะต้องเกิดได้เร็วและสืบเนื่องสามปชัญญาจะต้องมีกำลังมากความเพียรจะต้องเป็นแรงผลักดันที่สูงมากพอธรรมะทั้งสามองนี้จะต้องทำงานประสานสัมพันธ์กันจึงสามารถระลึกรู้เท่าทันของจิตในแต่ละขณะได้แล่ก่อนจะพูดถึงองค์ของธรรมะที่ทรงแสดงไว้นั้นก็ขอให้ลองพิจารณาทบทวนถึง สภาวะในลักษณะของจิตเช่ก่อนว่าจิตนั้นมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะนี่เป็นลักษณะพื้นฐานของจิตคือทำหน้าที่รู้อารมณ์แต่ในขณะเดียวกันงานหลักของจิตซึ่งเป็นงาน ใ, นใหญ่ๆนั้นก็มีอยู่สี่ช่วงด้วยกันช่วงแรกก็คือรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสได้แก่รู้รูปเสียงกลิ่นรสผุดถัพะที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย ส่วนข้อที่เรียกว่าทำมาอารมณ์นั้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นของเก่าคือของที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเองเมื่อเก็บไว้ภายในจิตท่านก็มักจะเรียกว่าเป็นอารมณ์แต่เวลาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงมารหรือบ่วงมารจะใช้เพียงห้าข้อคือไม่พูดถึงข้อที่4เพราะข้อที่4ี่ก็คือหข้อนั้นเองจะทรงใช้เพียงรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ว่าเป็นบ่วงมารเป็นเครื่องผูกแข่งมารเป็นพวงดอกไม้แห่งมารเป็นต้นจะใช้เพียงหเพียงหข้อเท่านั้น แต่บางครั้งบางคราวสําหรับคนซึ่งมีอัตยาศัยยัยงไม่ประณีตพอยังไม่อาจที่จะแยกได้ก็จะเพิ่มข้อที่6เข้าไปคือเพิ่มธรรมารมณ์เข้าไปแต่ธรรมอารมณ์นั้นแท้ที่จริงแล้วก็ไม่มีอะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสที่เก็บไว้ด้วยอํานาจของสัญญาคือการจําหมายของจิตท่านั้นเองในชั้นการรับรู้อารมณ์ซึ่งถือว่าเป็นดานใหญ่ในการประพฤติปฏิบัติของคน เพราะการรับรู้อารมณ์ของจิตนี้เองถ้าหากว่าบุคคลรับรู้อารมณ์มากจะทำให้จิตวิจิตมากออกไปมีความคิดวิจดาน์ออกไปข้อ น, นี้จะพบว่าสมมติว่าเรามีคนสองคนเกิดพร้อมกันแต่เราเออกไปให้เจริญเติบโตในสถานที่ที่แตกต่างกันคนหนึ่งให้เจริญเติบโตอยู่ในป่าคนหนึ่งเจริญเติบโตอยู่ในเมืองความคิดของคนทั้งสองคนนี้จะคิดได้วิจิตวิสดาน์ไม่เท่ากัน คนที่อยู่ในป่าจะคิดได้น้อยจะเข้าใจอะไรได้น้อยเพราะมีเพราะมีการรับรู้สิ่งต่างๆทางประสาทสัมผัสน้อยและเป็นภาพที่ทำซ้ำซากๆําๆเจไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้อย่างลึกซึ้งส่วนอยู่ภายในสิ่งแวดล้อมที่มีความสลับซับซ้อนก็จะเรียนรู้มากขึ้นจะเข้าใจปัญหานั้นมากขึ้นและความคิดจะวิจิตรวิสานมากขึ้นเวลาจะทําใจให้สงบก็สงบได้ยากมากขึ้น เพราะความฟุ้งซ่านความวิจิตพิสดารของจิตในชั้นการรับรู้อารมณ์พระพุทธเจ้าจึงเน้นในการเลือกเว้นการพิจิพิจารณาอารมณ์ด้วยขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติต่างๆเช่นให้พิจารณาเสียก่อนที่จะรับอารมณ์ต่างๆอย่างในกรณีของการบริโภคปัจจัย4ซึ่งเป็นปัจจัยในการดำรงอยู่การสืบต่อของชีวิต แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าบุคคลไม่มีหลักในการพิจารณาปัจจัย4แล้วก็อาจจะตกเป็นทาสของปัจจัย4ี่และต้องทําผิดไปเพราะปัจจัยสี่เป็นเหตุก็ได้ดังนั้นจึงทรงสอนให้พิจารณาทุกขณะที่สัมผัสเกี่ยวข้องกับปัจจัยทั้ง4ประการนั้นในขณะที่รับก็ดีในขณะที่บริโภคก็ดีหลังจากบริโภคไปแล้วก็ดีทรงสอนให้จิตระลึกรู้เท่าทัน ต่อวัตถุประสงค์และผลประโยชน์อันแท้จริงที่ตนจะพึงได้จากปัจเจศีเหล่านั้นทําไมจึงต้องพิจารณาการพิจารณาวัยนั้นเพื่อบังคับใจของตนเองไม่ให้หลงไปด้วยอํานาจปัจเจศีและกําหนัดเพลิดเพลินไปด้วยอํานาจปัจเจศีจนควบคุมทิศทางการแสวงหาปัจเจศีไว้ไม่ได้และในที่สุดก็จะตกไปด้วยตกไปในคลองแห่งทุจริตมีประการต่างๆในขณะเดียวกันอารมณ์ที่ผ่านมาจากข้างนอก กระทบกระทั่งจากความรุนแรงต่างๆอาจจะเกี่ยวกับธรรมชาติอาจจะเกี่ยวกับโรภคภัยไข้เจ็บหรืออาจจะการทำงานหรืออาจจะโดยการสบ ป, ประมาทดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่นก็ทรงสอนให้พิจารณาอารมณ์เหล่า น, นั้นแล้วก็อดกลั้นเอาไว้ไม่ไปเก็บฝังไว้ภายในใจแต่บางครั้งบางคราวขนทางการประพฤติปฏิบัติลักษณะทางอารมณ์ที่บุคคลวินิจฉัยตัดสินได้ทันทีว่า ดีหรือไม่ดีเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็เลือกดําเนินไปในทางที่จะเป็นประโยชน์ที่เป็นการเกื้อกูลต่อจิตใจของตัวเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองลักษณะของความคิดซึ่งเป็นอาการเหนี่ยวนึกอันเป็นลักษณะอีกประการหนึ่งของจิตก็ส่งสอนให้บุคคลพยายามบรรเทาความคิดบางประการไปไม่ไปให้เชือ่อไม่ไปเพิ่มความรุนแรงของความคิดในลักษณะนั้น นี่ก็เป็นขั้นตอนแห่งการปฏิบัติบัิบัติซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอาศัยสิ่งเหล่านั้นเองที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาแต่เอาธรรมะเข้าไปจับเอาเหตุผลต่างๆเข้าไปใช้ในกรณีของการรับอารมณ์ซึ่งหลักเหล่านี้ก็ได้แก่หลักของอินเสียสังวรซึ่งเป็นพื้นฐานใหญ่ในการปฏิบัติสมบรวมระวังจิตของบุคคลประการต่อไปก็คือการจำเพราะจิตนั้นออกมาจากธาตุสองธาตุ จธาตุในความคิดกับจินทธาตุในการเก็บการสะสมสิ่งต่างๆความจําจึงเป็นงานประการหนึ่งของจิตจิตได้ทําหน้าที่เก็บรวบรวมสิ่งต่างๆไว้ภายในจิตมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัส ข, ของบุคคลว่าบุคคลได้รับสิ่งเหล่านั้นมามากหรือรับสิ่งมาน้อยได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์สมมุติว่าไม่ผ่านด่านแรกปล่อยให้ผ่านมาทั้งหมดทั้งดีและไม่ดี จิตก็จะเก็บสะสมหมักมไว้ทั้งหมดเลยทั้งดีและไม่ดีในส่วนการเก็บการสะสมนั่นเองที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพจิตของบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงสรุปด้วยคำสองคำว่าอาสวกกับบารมีบารมีก็เป็นอาการเก็บของจิตประการหนึ่งแต่เป็นการเก็บการสะสมความดีมีทานีศีลมีปัญญามีคันติมีเมตตาเป็นต้น เก็บสะสมสิ่งเหล่านั้นไว้ภายในจิตได้ทําให้จิตของบุคคล น, นั้นปลอดโรคมากขึ้นและมีความสะอาดสูงขึ้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นมีภูมิต้านทานต่ออารมณ์มากขึ้นแสดงว่าเชื้อของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสูงขึ้นภายในจิตลักษณะของวิชาเด่นชัดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้น เศษควายหนึ่งเป็นการเก็บการสะสมส่วนที่เป็นอาสวะเอาไว้ซึ่งหมายถึงเก็บพวกอคุศลต่างๆเก็บความกำลัดความขัดเคลื่อนความรุ่มหลงมวมเมาความทุศีนการโง่เขางมงายการขาดเมตตาความทารุนอดร้ายเป็นต้นเป็นการเก็บการสะสมไว้ภายในจิตใจและในที่สุดสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นอาสวะหมัก ม, มมอยู่ภายในจิตกัดกร่อนจิตของบุคคลทําสภาพจิตของบุคคลให้เปลี่ยนแปลงไป ข้อนี้ในทางศาสนานั้นทรงแสดงเป็นการยาวนานคือข้ามภพข้ามชาติแต่ในขณะเดียวกันผู้มีปัญญาสามารถกําหนดพินิจพิจารณาเห็นได้ว่าแท้ที่จริงแล้วในชีวิตประจําวันของเรานี้เอง<ส>ก็ได้เก็บสะสมไว้ทั้งส่วนที่เป็นอาสวะและส่วนที่เป็นบารมีบารมีนั้นทําหน้าที่สลายอาสวะแต่ในขณะเดียวกันอาสวะก็ทําหน้าที่สลายบารมีได้เหมือนกัน อันเนือนกันน้ำใสกับ น, น้ำขุนปริมาณของใครมากกว่าคนนั้นก็แสดงตัวให้ปรากฏได้ชัดเจนกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็มีการต่อสู้กันอยู่สมมติว่ามีทั้งปริมาณน้ำที่ไหลเข้าไปในสระทัดเคียมกันในที่สุดน้ำภายในสระนั้นก็ไม่เด่นชัดว่าจะเป็นน้ำใสหรือว่าเป็นน้ำขุนโดยเฉพาะจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าเก็บไว้ใน สัดส่วนที่ใกล้เคียงกันก็ขึ้นอยู่กับตนจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอารมณ์อย่างไรก็จะมีความโน้มเอียงหนักไปในด้านเหล่านั้นจนไปเกี่ยวข้องในลักษณะเสริมสร้างบา ร, รมีบา ร, รมีก็ได้เหตุปัจจัยข้ามาสนับสนุนก็เริ่มสลายความขุ่นข้นในด้านอาสวะที่มีอยู่ภายในจิตออกไปแต่ถ้าหากว่าไปได้เหตุได้ปัจจัยที่มีลักษณะเสริมสร้างอาสวะ อาสว่าก็จะสูงขึ้นจิตใจก็จะโน้มเอียงหนักไปในด้านเหล่านั้นก้อ น, นี้มีตัวอย่างบุคคลเช่นในสมัยพุทธกาลหรือแม้ในสมัยใดๆก็มีในสมัยพุทธกาลนั้นเพื่อนของธนนาธาินิกะเศรษฐีเวลาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีแสดงตนเป็นพุทธมามากะมาฟังรรมาถวายทานพอพระพุทธเจ้าสเสด็จที่วจาริกไปกรุกรีกับพวกอัญญาดิเรกี สักเดียวท่านก็ไปเป็นสาวกอัญญาเดรส ถ, ถีสนุกสนานเพลิดเพลินไปพอพระพุทธเจ้ากลับมาธนานาตาบินธิกะเศรษฐีก็ไปดึงกลับมาอีกก็มีลักษณะเป็นการชักขเยอะกันอยู่อย่างนี้ซึงนั้นแสดงเห็นว่าปริมาณของอาสวะและบารมีนั้นอยู่ในสัดส่วนที่ต่อสู้กันอยู่ภายในใจก็ขึ้นอยู่กับว่าได้เหตุปัจจัยด้านไหนสนับสนุนจิ ก, ก็จะหักเหไปในด้านนั้น การเก็บการสะสมสิ่งเหล่านี้เอาไว้จึงมีได้มีให้เห็นและพิสูจน์กันได้ในชีวิตประจำวันเป็นวันเป็นเดือนเป็นปียกตัวอย่างว่าจิตใจของบุคคลที่มีความโน้มเอียงไปในด้านการศึกษาสนใจธรรมาศาสนาไหว้พระสวดมนต์เป็นต้นในตอนแรกๆเป็นการเริ่มเก็บสะสมเชื้อใหม่เข้าไปภายในจิตก็ดูแลไม่ค่อยมีอานาจอิทธิพลอะไร แต่การค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมนั่นเองในที่สุดความบวมเอียงทางจิตก็จะสูงขึ้นทางหุ้คคลไต่อันดับขึ้นมาด้วยการให้ด้วยการไหว้พระสวดมนต์ต่อมาอาจจะเป็นการให้ทานต่อม า, อา จ, จะเป็นการรักษาศีลมีศรัทธาแก่กล้าขึ้นกำลังใจสูงขึ้นบารมีเพิ่มขึ้นก็ออกมาในรูปของการคําเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นต้นทีนี้ในขณะเดียวกันนั้น ถ้าหากว่าบุคคลไปเก็บไปสะสมเชื้อในด้านอาสวะเขาจะเป็นเชื้อในด้าน k าม m a คือความใคร่เช่นความโลภในจุดหนึ่งก็อาจจะไปทําผิดเล็กๆน้อยๆพอนานเข้านานเข้าได้เชื้อบวบมากเข่าไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่มีการเหนี่ยวรัง้งในที่สุดคนซึ่งเคยลักเล็กรักน้อยนั่นเองก็จะกลายเป็นโจรเป็นมหาโจรร้นค่าทําอันตรายให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายในสังคมนี่ก็ขึ้นอยู่กับ การเก็บการสะสมไว้ภายในจิตใจที่พระพุทมีพระภาคเจ้าทรงสรุปออกมาเป็นเชิงพฤติกรรมว่าความดีอันคนดีทําได้ง่ายแต่คนชั่วทําได้ยากความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายแต่คนดีทําได้ยากซึ่งก็หมายความว่าพื้นฐานทางใจของบุคคลเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการกระทําว่าง่ายหรือยากนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นใคร ถ้าเขาเป็นคนที่มากด้วยอาสวะมากไปด้วยกีเดศหมักหมมสิ่งต่างๆไว้จนจิตใจแปดเปื้อนจะทําความชั่วอะไรก็ง่ายดุดพลิกขวา ม, มือแต่ในทํานองตรงกันข้ามถ้าให้แกกระทําความดีก็ก็ฝืนแรงแกก็ทําไม่ได้หรือทําได้ยากในทํานองตรงกันข้ามถ้าหากว่าท่านผู้นั้นมีว่าสนาบารมีมีพื้นอัตจฉรัยที่ประณีตเก็บสะสมความดีความงามไว้มากจะทําอะไรที่เป็นความชั่วความผิดสักครั้ง ก็มีสติเป็นเครื่องระลึกรู้เหนี่ยวยับเหนี่ยวยั้งใจเอาไว้ไม่ให้กระทําความชั่วความผิดต่อท่า น, นท่านก็ทําได้ยากสําหรับท่านแต่พอให้ทําความดีกลับเป็นเรื่องง่ายดาสําหรับท่านนี้ก็อยู่ที่พื้นฐานการเก็บการสะสมของจิตจิตที่เก็บสะสมเอาไว้นั่นเองต่อมาก็ออกมาในรูปของความคิดคือจะคิดอารมณ์ คนเรานั้นแนวความคิดก็ไม่เกินจากกุศลวิตกการกุศลวิตกที่ทรงสรุปไวเป็นสองสายการคิดในแนวนั้นก็คือคิดตามแนวของความมากแข่งอาสวะและความมากของบารมีคนที่มีบารมีมากก็มีพื้นฐานความดีมากความคิดจะออกมาในรูปของความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลง ซึ่งก็หมายความว่าพร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์นุเคราะห์คนอื่นด้วยเมตตาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องปีนิพิจารณาในการสงเคราะห์นุเคราะห์และในการแผ่เมตตาแก่บุคคลอื่นแต่ในตํานองตรงกันข้ามทหากป่วเชื้อของอาสวะมีอยู่มากภายในใจเขาความคิดของเขาก็จะหนักไปในด้านโลภด้านโกรธ ด, ด้านดุมุ่งที่จะขวายคว้าสแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเองเป็นที่ต่างไม่ได้คํานึงนึกถึงคนอื่นถ้าปริมาณก็อาสวะแรง ก็จะหมกบุ้นครุ่นคิดเรียกว่าหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในเรื่องเหล่านั้นโดยไม่ดูเดือนดูตะวันไม่ดูเหตุดูผลอะไรกันเลยลักษณะของความคิดจึงแกว่งไปแกว่งมาในสภาพด้วยสภาพอย่างนี้ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนในชั้นของความคิดว่าให้บุบคคลพยายามที่จะบรรเทากระแสของความคิด การบรรเทากระแสของความคิดนั้นหมายความว่ากระแสของความคิดเมื่อตกไปสู่ความโลภความโกรธความหลงก็ส่งสอนให้บรรเทาแต่ถ้าตกดูในกระแสของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ส่งสอนให้เพิ่มพูนกระแสความคิดเหล่านั้นให้มีปริมาณสูงขึ้นเมื่อคิดแล้วก็จะเป็นความรู้ความรู้นั้นพึงเข้าใจว่ามีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็คือวิญญาณธาตุที่บุคคลมีธาตุรู้อยู่ภายในใจแล้ ส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่ได้มาจากประสาทสัมผัสคือการรับรู้ของจิตนั่นเองการรู้ของคนเรานั้นจึงมีพื้นฐานที่แตกต่างกันแม้ในเรื่องเดียวกันคนจะรู้ได้ไม่เท่ากันท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะการเก็บการสะสมเรื่องเหล่านั้นเอาการรับรู้การเก็บการคิดถึงเรื่องเหล่านั้นของบุคคลมีสัด ส, ส่วนที่ไม่เท่าเทียมกันใครที่เก็บเรื่องเหล่านี้ไว้มาก เช่นบันในกรณีของเรื่องดีๆหมายความว่ามีประสบการณ์ไว้มากเป็นพวกผู้สูตรเก็บทรงจำไว้แล้วก็คิดได้วิจิตพิสดารความรู้ของท่านในเรื่องนั้นก็จะมีความลึกซึ้งแต่ถ้าคนรับรู้เรื่องเหล่านั้นไว้น้อยก็เก็บไปน้อยก็คิดได้น้อยเวลารู้ก็จริงๆรจริงรู้ได้น้อยนี่ก็เป็นกระบวนการของจิตที่มีลักษณะเป็นปฏิกิริยาปฏิกิริยาคือหนุนเรื่องกันไป ต่างก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของการละกันความรู้เหตุรู้ผลในการดำรงชีวิตของบุคคลเองก็มีส่วนที่แตกต่างการเป็นนั้นมากประเหตุของการรับรู้การเก็บและการคิดดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ตัวการสำคัญนั้นยังอยู่ที่การรับรู้ของจิตนั่นเองปัญหาสำคัญว่าบุคคลจะรับรู้ในเรื่องอะไร ถ้าพยายามรับรู้เฉพาะเรื่องที่ดีๆการเก็บการสะสมก็จะเก็บสะสมเรื่องที่ดีๆไว้เวลาจะคิดก็คิดได้ดีๆและวิจิตพิสดารในเรื่องความดีเหล่านั้นความรู้ในด้านความดีต่างๆก็จะลึกซึ้งหลากหลายวิจิตพิสดารออกไปแต่ถ้ารับฝ่ายไม่ดีก็จะเป็นอีกกระบบนการหนึ่งคือจะเก็บไม่ดีคิดไม่ดีและความรู้ก็จะไม่ดีในที่สุดพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา จะเป็นการแสดงออกจากความคิดความรู้ของบุคคลนั่นเองซึ่งมาสรุปเป็นองค์มากก็ได้แก่สมาธิจิกับสมาสังกัปปะหรือมิจฉาทิติกับมิจฉาสังกัปปะอันเป็นการควบคุมกําหนดทิศทางชีวิตของบุคคลให้ดําเนินไปว่าจะดําเนินไปในทางที่ชอบหรือไม่ดําเนินไปในทางที่ชอบตนแล้วแต่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะและงานอันงานสําคัญของจิตที่ บุคคลจะต้องมีอยู่ในชีวิตประจำวันตอนนั้นการควบคุมจิตการฝึกปลือจิตการสํามรวมระวังจิตจึงเป็นความดีแต่พระสภาพจิตมีลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วห้ามดาาดิ้นรนกวัดแหวงกระสร์กระสายมักตกไปในอารมณ์ที่ใครการที่บุคคลใดก็ตามสามารถฝึกปลือจิตทรมานจิตของตนได้พระผู้มีพระภาคจ้าทรงสนนรนเสิญว่า เป็นการกระทำที่ดีเพราะว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำประโยชน์มาให้แก่บุคคลผู้ฝึกจิตดังนี้ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสื่อต่อไป